คำพีวิสุทธิมักแสดงอุบายในการมนาสิกานเพื่อแก้ไขความคิดแค้นเคืองขัดใจไว้อีกหลายอย่างสรุปได้เป็นขั้นตอนต่างๆซึ่งพึงเลือกใช้ตามที่เหมาะกับอุปนิสัยของบุคคลดังนี้ 1. ระลึกถึงพุทธโอวาทที่สั่งสอนให้ระงับความโกรธและให้มีเมตตาตักเตือนตอนเองว่า การยังมัวโกรธอยู่เป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระศาสดาของตนพรธโอว่าเกี่ยวกับความโกรธมีมากมายเช่นตรัสสอนภิกษุว่าแม้ภิกษุถูกพวกโจรจับไปและเอาเลื่อยพากายถ้าภิกษุมีใจขัดเคืองประทุสร้ายก็ไม่ชื่อว่าปฏิบัติตามคาสอนของพระองค์อีกแห่งหนึ่งว่า คนโกรธเท่ากับทําตัวให้ประสบผลร้ายต่างๆสมใจปรารถนาของศัตรูเช่นมีผิวพรรณซามหน้าตาหม่นหมองนอนเป็นทุกข์เป็นต้นอันหนึ่งถ้าคนอื่นโกรธแล้วเราโกรธตอบอีกก็เท่ากับทําตัวให้เลวกว่าเขาส่วนคนที่ไม่โกรธตอบคนที่โกรธชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยาก และชื่อว่าบำเพ็ญประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือทั้งแก่ตนเองและแก่คู่กรณีถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วยังไม่หายโกรธพึงใช้วิธีต่อไปคือสองพึงนึกถึงความดีของเขายกเอาแต่แง่ดีของเขาขึ้นมาพิจารณาถ้ามองไม่เห็นว่าเขามีความดีอะไรเลยพึงตั้งจิตการุณในการที่เขาจะต้องประสบผลร้ายจากความชั่วของเขาเอง ถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ไม่หายโกรธพึงใช้วิธีต่อไปคือสพึงสอนตนเองให้รู้ตัวว่าถ้ามัวโกรธเขาอยู่ก็มีแต่จะทำให้ตัวเองนั่นแหละเดือดร้อนเป็นทุกข์คนที่ถูกโกรธเขาไม่รู้เรื่องด้วยเขาก็อยู่ของเขาเป็นปกติตามสบายคนโกรธเขากับทำร้ายตนเอง ทำลายคุณธรรมซึ่งเป็นพื้นฐานของศีลที่ตนเองรักษาและประกอบกรรมของอนาระยชนเสเองถ้าคนโกรธคิดจะทำร้ายคนอื่นไม่ว่าจะทำร้ายเขาได้แล้วหรือไม่แต่ที่แน่นอนก็คือได้ทำร้ายตนเองเขาก่อนแล้วและตนเองต้องถูกกระทบทุกกรณีถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วยังไม่หายโกรธพึงใช้วิธีต่อไปคือสี่ พึงพิจารณาตามหลักกรรมว่าแต่และบุคคลมีกรรมเป็นของตนทั้งเขาทั้งเราต่างก็จะได้รับผลแห่งกรรมที่เป็นส่วนของตนของตนตัวเราเองถ้ามัวโกรธมีโทสะอยู่ก็คือกำลังทำกรรมชั่วอย่างหนึ่งและเราก็จะได้รับผลร้ายจากกรรมของเราเองถ้าเขาทำกรรมชั่วเขาก็จะได้รับผลร้ายตามกรรมของเขา ถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วยังไม่หายโกรธพึงใช้วิธีต่อไปคือหพึงพิจารณากุณความดีคือการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าระลึกถึงตัวอย่างความเสียสละของพระองค์ตั้งแต่ครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เช่นในชาดกหลายเรื่องพระองค์ได้ทรงสละชีวิตช่วยเหลือแม้แต่ศัตรูถูกเขากลั่นแกล้งก็ไม่ผูกอาคาตแล้วชนะใจเขาด้วยความดี แม้ตัวอย่างผู้บำเพ็ญความเสียสละและขันติบารมีอื่นๆก็พึงนำมาพิจารณาได้เพื่อเป็นตัวอย่างเสริมกำลังใจให้สามารถดำรงตนอยู่ในความดีถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วยังไม่หายโกรธพึงใช้วิธีต่อไปคือ6พึงพิจารณาความยาวนานแห่งสังสารวัตรซึ่งท่านกล่าวว่าหาได้ยากที่ใครๆจะไม่เคยเป็นบิดามารดา บุตรธดาพี่น้องญาติเพื่อนพ้องที่เคยมีอุปการะแก่กันพึงนึกว่าเขากับเราก็คงได้เคยเป็นพ่อแม่พี่น้องมีอุปการะแก่กันมาเหตุการณ์นี้เป็นเพียงเรื่องราวเล็กน้อยฉากหนึ่งเท่านั้นไม่ควรจะมาเกลียดโกรธคิดประทุษร้ายกันถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ยังไม่หายโกรธพึงใช้วิธีต่อไปคือ พึงพิจารณาอานิสงค์แห่งเมตตาว่าเมื่อตนปฏิบัติตามจะได้รับผลดีอย่างไรอย่างไรบ้างเช่นว่าหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักใคร่ของคนทั้งหลายเป็นต้นตนควรปฏิบัติตามเพื่อให้ได้รับผลดีเช่นนั้นถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วยังไม่หายโกรธพึงใช้วิธีต่อไปคือแปด พึงพิจารณาแบบจำแนกแยกธาตุให้มองเห็นความจริงว่าที่คิดโกรธวุ่นวายกันไปความจริงก็มีแต่สิ่งสมมติคิดว่าเป็นสัตว์บุคคลเป็นผู้นั้นผู้นี้ที่จริงมีแต่อาการ32เช่นผมขนเล็บฟันหนังมีแต่ท่าต่างๆมีแต่ขันห้ามีแต่อายตนะ12มาประชุมกันจะโกรธอะไรส่วนไหน ความโกรธนั้นไม่มีฐานที่ตั้งอะไรเลยถ้าพิจารณาแง่นี้แล้วยังไม่หายโกรธพึงใช้วิธีต่อไปคือ9พึงแสดงออกภายนอกในทางปฏิบัติด้วยการให้สิ่งของคือหาสิ่งของมาให้แสดงไมตรีจิตได้รับของให้ตอบแทนแก่กันเพราะทานช่วยให้คนใจอ่อนโยนเข้าหากันและพูดจากันพ่วงเอาปิยวาจามาด้วย จึงเป็นเครื่องระงับอาฆาตที่ได้ผลยิ่ง